จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขอันที่ กันที่พึงจะได้รับเนื่องจากฐานะของการเป็นมนุษย์และการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันทั้งสองอย่างเพราะการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่า เป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าการจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็จะต้องไปเกิดนาบายกอ่อน <c oughs> เพื่อไปใช้เวรใช้กรรมที่ได้ทำจากการทำบาปต่างๆจนกว่าจะหมด กรรมนั้นแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็จะมีมากเพราะว่าไม่ต้องไปใช้ใช้เวรใช้กรรมในในอบายหรือไม่เะนนั้นก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ไปรับผลบุญก่อน แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนการเกิดของพระพุทธศาสนาคือการปรากฏของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนี้ยิ่งยากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราหลายแสนหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะการที่จะได้ตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จำเป็นจะต้องบำเพ็ญ บุญบารมีมาเป็นกับเป็นกันด้วยกันถึงจะปรากฏมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นก็มีปรากฏมาในอดีตมากมายและจะมีปรากฏต่อไปในอนาคตแต่ช่วงเวลาว่างของพระพุทธเจ้าจากองค์หนึ่งสู่อีกองค์นี้ ท่านว่าเป็นเวลาเป็นกลับด้วยกันกลับนี้ก็เป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะนับจับหนวนได้ท่านเปรียบเทียบเวลาของกลับหนึ่งไวว่าเหมือนกับทุกร้อยปีเราเอาภาพไปรูปภูเขาพระสุเมรนหนึ่งครั้งทุกร้อยปีก็ไปรูปภูเขาพระสุเมรินหนึ่งครั้งทาอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าภูเขาพระสุเมรน์จะสึกลาบลาบมากับพื้นเนื่องจากการที่เราไปไปลูบในแต่ละครั้งนี้ก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องลูบภูเขาพระสุเมรน์สักกี่ครั้งถึงจะสึกหายไปหมดนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกับและเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นก็ หลายกลับด้วยกันพวกเรานี้ถือว่าเป็นบุญเป็นโชคมหาศาลที่ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้เพราะถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์และเราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถเดินทางลัดได้ เราไม่ต้องบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเป็นกับเป็นกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องบำเพ็ญกันตอนนี้เรามีคําสอนแล้วถ้าเปรียบเทียบก็มีทางแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นั้นไม่มีทางพระพุทธเจ้าทรงหลงอยู่ในป่าใหญ่แต่ไม่ทราบทางออกจากป่าว่าจะไปทิศทางใดแต่พวกเราที่หลงอยู่ในป่าขณะนี้นั้น พวกเราโชคดีเราได้ไปเจอถนนแล้วได้เจอทางแล้วเพียงแต่ขอให้เราเดินตามทางนี้ไปไม่ไกลไม่นานเราก็จะออกจากป่าได้ไปสู่ที่ปลอดภัยไปสู่ที่มีแต่ความสุขความสบายได้เพราะว่าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง ก า, การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็เป็นเหมือนคนที่หลงทางอยู่ในป่าไม่รู้ไม่หาทางไม่เจอ ก็ต้องวนไปเวียนมาอยู่ในปา่าแล้วก็รับการทุกข์ทรมานต่างๆจากการหลงอยู่ในป่าไปเป็นเวลาอีกยาวนานด้วยกันแต่แลตอนนี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางไปสู่ที่ปลอดภัยได้แต่ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถช่วยเราได้เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มาอยู่ในวัดสุนัข ก, ก็ไม่สามารถที่จะศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้การได้มาเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไร ต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติได้อย่างรวดเร็วถ้าเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันภพชาติของเราก็จะเหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็จะไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติ แล้วบรรลุสูงขึ้ไปอีกขั้นหนึ่งเป็นพระสกีดาคารีภพชาติของเราก็จะเหลือเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถปฏิบัติทรรให้สูงขึ้นไปถึงขั้นพระอนาคามีหรือขั้นพระอาหารหรนได้ถ้าได้ขั้นพระอนาคามีแต่ยังไม่ได้ขั้นพระอาหารหัน์เวลาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุทาวาสแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปถ้าสามารถปฏิบัติบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจะบรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเป็นเหมือนบ้านของที่พวกเราอยู่อาศัยกันเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ให้ความสุขกับเรา นี่คือภพชาติต่างๆที่จิตใจของพวกเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเรายังไม่ได้พบกับพบอ่อพุทธศาสนาเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นความทุกข์ต่างๆที่เราได้รับก็จะมีนับจานวนไม่ถ้วนน้ำตาที่เราหลัง่งในแต่ละภพแต่ละชาตินั้น ถ้าเรามารวมรวมกันไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกก็คิดดูก็แล้วกันว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นมีมากขนาดไหนและน้ำตาของเราที่เราหลั่งออกมาในแต่ละพบแต่ละชาตินั้นมีมากเพียงไหนแลาจะต้องใช้พบชาติจำนวนมากเท่าไหร่ เราจึงจะสามารถหลั่งน้ําตาให้ได้เท่ากับน้ําในมหาสมุทรนี่คือพพชาติของพวกเราที่ผ่านมาในอดีตและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ปฏิบัติตามความจริงทุกคนมีความสามารถอยู่ที่ว่าจะมี คุณธรรม่ประการหรือไม่เท่านั้นเองคุณธรรม4สประการนี้คืออะไร 1. คือฉันทะาความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. วิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียงที่จะพยายามปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและสคือจิตตะ คือมีใจจดจ่ออยู่กับการศึกษาอยู่กับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่และ 4. วิมังสาคือจิตค่ายควรในเรื่องของธรรมหรือไม่หรือค่ายควรแต่ในเรื่องของโลกของลาบยศสลดแสนสุขของเงินของทองของสามีของภรรยาของบุตรของธิดา ถ้าจิตใจของเราคิดแต่เรื่องราวล่านี้จิตใจของเราก็จะไม่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราจิตใจของเราไข่ ค, ควรในเรื่องพระธรรมในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาตามลำดับนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่สำคัญที่จะทำให้เรา ได้ปฏิบัติและบรรลุธรรมในที่สุดไม่ว่าใครก็ตามที่จะบรรลุมรกผลนิพพานได้จำต้องมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือฉันทะวิรยิยะจิตตวิมังสาท่านเรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่บาทก็คือทางทางสู่ความยิ่งใหญ่ ทางสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาทสีไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จอยากประสบกับชัยชนะเราต้องมีอิทธิบาทสีอิทธิบาทสีนี้ใช้ได้ทั้งในทางโลกและในทางธรรมเช่นเราอยากจะเรียนจบเป็นริญญาสูงๆเราก็ต้องมีฉันทะ คือความยินดีความพอใจที่จะศึกษาเริ่เรียนเราจะต้องมีวิริยะคือต้องมีความขยันที่จะศึกษาเริ่เรียนไม่ขี้เกียจต้องขยันเรียนหนังสือขยันไปโรงเรียนขยันทาการบ้านอย่างนี้ถึงจะเรียนได้สำเร็จและเราจิตใจก็ต้องมีใจที่จดจอ่อ ต่อการศึกษาเล่าเรียนไม่ปล่อยให้ใจไปสนใจเรื่องอื่นเช่นไปสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างอื่นไปเที่ยวไปเล่น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นจะไม่สนใจคนที่ต้องการที่จะบรรลุปิณ ญ, ญานี้เขาจะมีแต่ใจจดจอ่ออยู่กับการศึกษาอยู่กับการเรียนและวิมังสา ใจของเขาก็จะคิดแต่เรื่องของการเรียนคิดแต่เรื่องของวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนมาคอยทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลืมได้นั่นเองแล้วพอถึงเวลาที่จะตั้งสอบเขาก็จะสอบได้ปริญญาไม่ว่าจะเป็นปริญญาติโทรหรือเอกก็ตามจะไม่พ้นวิสัยของเขาไป ถ้าเขามีอิทธิบาทสีน่นี้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อตัดภพบตัดชาติเพื่อให้ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสีเช่นเดียวกันคือเราจะต้องมีความยินดีในการศึกษาและในการปฏิบัติ เพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะมีความยินดีได้เราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมให้เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีอนิสงส์มีคุณประโยชน์กับเราอย่างไรเหมือนกับการดูโฆษณาถ้าเราไม่ได้ดูโฆษณาของสินค้าเราจะไม่รู้ว่า สินค้านั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพอย่างไรแต่เวลาเราได้เห็นสินค้าแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อสินค้าชนิดนี้มีคุณภาพอย่างนี้มีประสิทธิภาพอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เราเกิดอยากจะซื้อสินค้าชนิดนี้มาใช้งันเองดังนั้นเราต้องดูโฆษณาของธรรมะก่อนการดูโฆษณาของธรรมะ ก็คือการฟังเทศฟังธรรมจากพระพระสุปฏิปันโนเกิดต้องได้ยินได้ฟังจากพระที่บรรลุธรรมเพราะว่าท่านจะแสดงธรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและจะทำให้เราไม่เคลือบแคลงสงสัยไม่ลังเลสงสัยจะทำให้เราเกิดมีศรัทธามีฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติ ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรมนั้นก็เป็นเหมือนกับการได้รับการบอกทางจากผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเขาก็จะพูดไปตามลักษณะที่เขาคาดเอาว่าไปทางนั้นไปทางนี้แต่เขายังไม่รู้จักทางที่แท้จริงว่าไปตรงไหนไปอย่างไร แต่คนที่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาจะสามารถบอกทางให้แก่เราได้อย่างถูกต้องแม่นยำเดินไปแล้วเดินตามไปแล้วจะไม่หลงทางจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนดังนั้นเวลาที่เราได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระสุปฏิปโนทั้งหลายจะต่างกับการที่เราได้ยินได้ฟังธรรม จากพระที่ไม่ใช่เป็นสุปฏิปโนเพราะจะไม่ทำให้เราเกิดศรัทธาไม่ให้เราได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นเองยังเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนที่จะแสวงหาพระสุปฏิปโนทั้งหลายพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอ่อบแล้วก็ ไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากท่านเหล่านั้นพ่าเมื่อฟังแล้วก็จะเกิดมีฉันทะมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติจะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติถึงแม้จะยากจะลำบากอย่างไรก็พร้อมที่จะปฏิบัติแลนะจิตใจก็จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติสู่การศึกษา จิตใจก็จะไขยควรวนแต่เรื่องธรรมะพิจารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆได้ยินได้ฟังเพราะทำคำสอนมาแล้วก็นำเอามาไข่ควรวนเอามาเตือนสติอย่างวันนี้เราเยื่นได้ยินได้ฟังแล้วว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้และได้มาพบพระพุทธศาสนานี้เป็นโอกาสที่วิเศษอย่างยิ่งที่จะทำให้เราสามารถ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ที่จะสามารถทำให้เราบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่มีโอกาสอย่างอื่นแล้วถ้าเราไม่รีบตักตวงในครั้งนี้จะไม่รู้ว่าจะได้พบโอกาสอย่างนี้อีกหรือไม่โอกาสหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเพราะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ ก็มีอายุไม่เกิน5000ปีเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในตอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่มีทางหรือไม่มีคนบอกทางเมื่อเรายังไม่รู้จักทางไม่มีทางเดินเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ เราปรารถนาไปกันได้อย่างไรแต่ตอนนี้เรามีทางแล้วเรามีเรามีปัญญาเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ผ่านไปเราควรจะรีบตักตวงปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างที่โบราณเขาพูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะว่าเวลาน้ำลดแล้วน้ำหมดไปแล้วจะไม่มีน้ำให้ตักเพราะว่าน้ำไม่ไม่มีอยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งจะมีในช่วงฤ ด, ดูฝนเป็นช่วงที่มีน้ำมากแต่พอฤ ด, ดูแล้งแล้วน้ำก็จะแห้งเหือดหายไปหมดได้ดังนั้นในขณะที่น้ำขึ้นเราจึงควรรีบตักน้ำเก็บเอาไว้ในตู ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เช่นเดียวกับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเราควรที่จะทุ่มเทเวลาของเราให้ไปกับการศึกษากับการปฏิบัติพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราควรที่จะตัดเวลาที่เรา ใช้ไปกับสิ่งที่ไร้สาระต่างๆให้มันน้อยลงไปใช้เวลากับสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขของแบบยาวเสกติดมันไม่ได้เป็นความสุขที่จะทำให้เราอิ่มให้เราพอที่จะทาให้เรา มีความสบายใจอย่างแท้จริงแต่มันเป็นความสุขที่จะผูกให้เราอยู่กับความทุกข์ความกระวนกระวายกระสับกสายเพราะเมื่อเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะมีอาการทุร น, นทุนรายกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าเหวว่าวุ่นขุนมัวเช่นถ้าเราติดการเที่ยว ติดการหาความสุขจากการออกไปนอกบ้านถ้าวันไหนเราไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้ต้องอยู่บ้านเราก็จะรู้สึกเศร้าส้อยหน่อยหเหง า, ว, าว้าเหวเพราะว่าใจนั้นไม่ได้เสกในสิ่งที่อยากจะเสกนั่นเองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่จึงไม่ใช่เป็นความสุข ไม่ได้ทําให้เรามีความอิ่มความพอถ้าตราบใดเราไม่มีความพอเราจะหาความสุขไม่เจอเราจึงอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินทองมากจนเกินไปขอให้เรามีเงินทองเพื่อที่จะมาใช้กับการดูแล อัตภาพร่างกายของเราก็พอแล้วถ้าเราพอมีพอกินแล้วพอมีเหลือเก็บไว้ในวันข้างหน้าแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้ควรจะหันเอาเวลาที่ไปเสียไปกับการหาเงินหาทองหาความสุขต่างๆนี้มาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะ การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แลที่จะนำความอิ่มความพอมาให้กับจิตใจที่จะทำให้จิตใจนั้นไม่ต้องกวลกวายกระสับกระส่ายไม่รู้สึกว้าเหวว้าวุ่นขุ่นมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราศึกษาและปฏิบัติตามพระธรม ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มี อย่างอื่นในโลกนี้ที่จะทำผลอย่างนี้ให้กับเราได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามเวลาเราได้ทำงานเราก็ดีใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกังวลว่างานนี้จะทาไปได้ถึงไหนบริษัทเขาจะจ้างเราไปถึงเมื่อไหร่เขาจะปลดเราออกเมื่อไรเราก็ไม่รู้ ความกังวลใจก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วถ้าถึงเวลาที่เขาไล่เราออกจากงานเราก็ต้องลบาบากเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจเราจึงต้องระมัดระวังอย่าไปฝากความสุขไว้กับสิ่งต่างๆภายนอกให้เราฝากความสุขไว้กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถทำกันได้ทุกคน เราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ต้องทำบุญให้ทานก็ได้เราปฏิบัติทำขั้นอื่นได้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้ทานไม่ต้องทำบุญรักษาศีลได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ mm. นี่คือหน้าที่ของพวกเรา ในการที่เราจะดูแลรักษาชีวิตจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคล้าคลาดปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆที่จะคอยมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเพราะว่าเรานั้นมีความหลงเราเห็นผิดเป็นชอบเราเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันเราวิ่งเข้าหาความทุกข์ตลอดเวลา โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายวิ่งหาลาบยศสรรเสริญสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเจริญได้และมีเสื่อมได้ถ้าเราไปยึดไปติดเวลาที่มันเสื่อมมันหมดไปเราก็จะทุกข์ เราก็จะร้องหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจใจของเรานี้จะไม่หิวกับลาบยศสนเสิญสดจะมีมากมีน้อยจะเจริญหรือเสือ่อมจะไม่ทำให้เรารู้สึกทุกข์วุ่นวายใจแต่อย่างใดเพราะเราไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ มาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนหรือถึงแม้ร่างกายจะต้องตายไปเพราะไม่มีเงินซื้ออาหารมารับประทาน mm. ก็จะไม่มากระทบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจเพราะว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองร่างกายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอีกอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอะไร ใจไม่เดือดร้อนสาเหตุที่พวกเรายังเดือดร้อนไปกับการเป็นไปของร่างกายอยู่ก็เพราะใจของเราหลงไม่มีปัญญาหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วก็ไปผูกร่างกายผูกใจไว้กับร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นอะไรตามไปด้วยวุ่นวายตามไปด้วยเหมือนกับเราเอา ใจเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับสามีผูกไว้กับภรรยาผูกไว้กับลูกเวลาเขาเป็นอะไรเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาเลยแต่ใจของเรากับวุ่นวายไปกับเขานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปผูกใจของเราไว้กับเขานั่นเอง ถ้าเรามีปัญญาเราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าเราไม่ควรที่จะไปผูกใจของเราไว้กับอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าการผูกใจของเราไว้กับกองทุกนี้มันก็จะทำให้ใจของเราทุกนั่นเองร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นกองทุกเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถ ไปบงังคับให้เป็นปตายทาที่เราต้องการได้พวกเราทุกคนต้องการให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดไม่ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้พวกเราไม่ต้องการให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเขามีเกิดมีดับแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราไปผูกใจไว้กับเขาเวลาเขาดับเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปผูกใจไว้กับเขาเวลาเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนเช่นเวลาคนอื่นตายคนอื่นเจ็บ่า้ได้ป่วยคนที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นอะไรเรารู้สึกอะไรบ้างหรือปล่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจของเราไปผูกไว้กับเขานั่นเอง เช่นเดียวกับร่างกายของเราถ้าเราไม่เอาใจของเรามาผูกไว้กับร่างกายของเรามองร่างกายของเราว่าเหมือนกับร่างกายของคนอื่นจะเป็นอย่างไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะแก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้ ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ด้วยการสอนใจด้วยปัญญาเวลาใจไปผูกกับเขาเมื่อไรก็ให้ตัดให้ถอนออกมาทันทีอย่าไปผูกต้องแก่อยู่เรื่อยเวลาใจไปกังวลกับร่างกายก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วเขาต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอน นี่คือปัญญาให้สอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเราวิตกกับร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนอื่นก็ดีก็ต้องให้เอาปัญญามามาแก้อยู่ตลอดเวลาอย่าไปกังวลปล่อยเขาไปเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แ, แล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจความทุกข์วุ่นวายใจนี้ไม่ได้แปลเปลี่ยนแปลงความจริงของ ความแก่ความเจ็บและความตายคนที่เขาจะตายเราไปทุกข์กับเขาหรือไม่ทุกข์กับเขาเขาก็จะตายอยู่ดีแต่ถ้าเราทุกข์เราเดือดร้อนถ้าเราไม่ทุกข์เราสบายนี่คือเรื่องของใจของเราเราต้องรู้จักดูแลรักษาใจของเราคนอื่นเราก็ดูแลได้ตามตามเหตุตามผลตามความเป็นไปได้ถ้ายัางรักษากันได้ก็รักษากันไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยถ้ายังมีเหตุที่จะให้อยู่ต่อไปได้ก็ยังจะอยู่ต่อไปถ้าไม่มีเหตุที่จะให้อยู่ต่อไปก็จะต้องตายไปไม่มีใครมายับยั้งได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของพพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ร่างกายของท่านก็ต้องตายเหมือนกันแต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะท่านสอนใจให้ปล่อยให้วางไม่ให้ผูกไม่ให้ติดอยู่กับร่างกายนั่นเองและก็เป็นสิ่งที่ท่านสอนให้พวกเราปฏิบัติกันทำกันและก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ทำได้เพราะใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทำมาหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราทำเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไปนับไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดเราไม่ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็ขอให้เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำบุญให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาและฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องทำจากน้อยไปหามากทาให้เต็มที่แล้วรับรองได้ว่า วันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาโดยอาศัยคุณธรรมสีประการคื อ, คอ